การบำเพ็ญจิตตภาวนาะเพื่อให้เกิดผลขึ้นมานั้นผู้บำเพ็ญจำเป็นที่จะต้องกําจัดอุปสรรคต่างๆที่ฝัง ก, การบำเพ็ญถ้าไม่สามารถกําจัดอุปสรรคต่างๆผลก็จะไม่เกิดจากการบำเพ็ญ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 ความยินดีในการเสพกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลธถภะสามความกโกรธสี่ความง่วงเหงาหานอนและห้าความฟุ้งซ่านนี่คืออุปสรรคที่จะกิดขวาง การบําเพ็ญจิตรพรรม า, าไม่สามารถทำให้ผู้บําเพ็ญบรรลุถึงผลคือความสงบได้ผู้ที่บําเพ็ญจึงจำเป็นจะต้องคอยกําจัดอนิีวอนเหล่านี้ข้อที่หนึ่งความลังเลสงสัย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 บำเพ็ญเหตุไปตามที่ได้ศึกษาเดี๋ยวผลก็ปรากฏขึ้นมาเองอันนี้ก็เป็นวิธีกำจัดนิวรนหรืออุปสรรคที่คอยกีดขวางการให้ผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาได้บรรลุถึงผลที่ควรจะเกิดขึ้นข้อที่สอง ก็เรื่องกามฉันทะคือความยินดีในกา ม, มคุณทั้งห้าความชอบเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดอภะท่านก็ให้เรามาเจริญอเอนินศีรสังวรให้มาสำรวมตาหูจมูกเิ่นกายด้วยการเจริญศีลสังวรก็คือให้มารักษาศีลแปดกัน ศีลสิบศีสองร้อยยี่เจ็ศีลสามร้อ ย, 7, ย300กว่าข้อนี่เป็นวิธีสารวมอินรีสารวมตาหูจมูกล่นกายไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะถ้าถือศีแล้วกามาฉันทาก็จะไม่สามารถดึงใจให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะได้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 กําจัดกรรมฉัชันทะที่เกี่ยวกับการเสพอาหารรับประทานอาหารแล้วก็ข้อที่เจ็ดก็ห้ามไม่ให้ไปดูมหรศพบันเทิงการละเล่นต่างๆการเสริมสวยความงานต่างๆของร่างกายที่เป็นการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทปะอันนี้ก็ถ้า ก็จะห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้ระ ง, งับกามฉัชันทะาได้แล้วก็จะทำให้มีเวลามาบำเพ็ญจิตธภรมนาส่วนข้อที่8ดก็ห้ามไม่ให้นอนมากจนเกินไปโดยห้ามไม่ให้นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆที่มันแสนจะสบาย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 นี่คือมาตรการที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาถือกันเพื่อกำจัดกามฉันทะความอยากเสพรูปเสียงเกลิ่นรสผลทพธชชนิดต่างๆพอเราถือสินแปดหรือสินสิบหรือศินสองร้อยี่บเจ็ดหรือศินสามร้อย300กว่าแล้วเราก็จะไม่สามารถเสพกามคุห้าได้เราก็จะ มีเวลาว่างเอาเวลาว่างนี้มาบำเพ็ญจิตตภาวนามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อเจริญสติเ <ใช S 1> มื่อมีสติเวลานั่งจิตก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นะนี่ก็คือมาตรการที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับกามฉันทะ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 กิจตภาวนาของเราแล้วถ้าเราไปทําร้ายเขามันก็จะทําให้เขาโกรธเราแล้วกลับมาทําร้ายเราอีกมันก็จะทําให้เราไม่สามารถมีเวลาที่จะมาบําเพ็ญจิจตภาวนาได้เลยแตถ้าเขาทำร้ายให้เราโกรธแล้วเราให้อภัยเขาไปถือว่าจบกันผ่านไปแล้วเรากลับมา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 ทั้งสองข้างเราฆ้าเขาเนื้อเราก็ถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปลงโทษประหารชีวิตอีกไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้มาภาวนาแต่ถ้าเขาทําอะไรแล้วก็ให้อภัยไปไม่เอาเรื่องเอาเราขอความสงบเป็นอย่างเดียวขอให้ยุติกันอย่างเดียวถ้าเขาไม่ยุติก็ถือว่านี่เรายังใช้ไม่หมดก็ให้เขาทําต่อไป แต่เราจะไม่ไปตอบโต้ถ้าเราหลบได้เราก็หลบหลีกได้เราก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเราก็แล้วกันเราคงทำกรรมมาหนักหนาสาหัส ถ, ถึงมาถึงมาทาร้ยถึงมาต้องมาคอยล่างพานเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นวิธีเดียวที่จะทาให้เรา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 อันนี้ก็จะระงับความโกรธได้ข้อที่สี่ก็คือความง่วงเหงาเหานอนอันนี้ก็ต้องใช้มาตรการสองอย่างถ้ามีที่น่ากลัวไปบําเพ็ญก็ไปหาที่น่ากลัวไปบําเพ็ญที่ไหนที่มันน่ากลัวนี้จะทําให้เราไม่ง่วงนอน เราจะตื่นตลอดเวลาเช่นไปนั่งอยู่ในป่าช้าหรือไปนั่งอยู่ในป่าเขาไม่มีอะไรปกปิดป้องกนันร่างกายนั่งอยู่ตามโคนม้ยนั่งอยู่ตามเงื่อมผาบางรูปบางองค์ก็นั่งอยู่ที่ปากเหวเลยถ้าง่วงก็สับประโคมก็หัวทิ่มตกเหวไปเลยถ้าอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่า จะไม่ง่วงหรือถ้าไปไม่ได้ก็ต้องใช้มาตรการการอดอาหารอดอาหารนี่ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกหิวหิวแล้วมันก็ไม่ง่วงนอนไม่หลับอันนี้ก็ต้องเลือกอาว่าอย่างไหนจะเหมาะกับตัวเราถ้าเราไปหาที่น่ากลัวบำเพ็ญไม่ได้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 แล้วตอนบ่ายก็ดื่มน้ำปตานะมันก็จะทำให้ท้องเบาตัวเบาจะทำให้ไม่ง่วงนอนก็จะสามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างสบายไม่อึดอัดไม่เหมือนกับแบกภูเขาเวลาที่รับประทานอาหารอิ่มแล้วนีเวลาเดินจะรู้สึกมันหนักเหมือนแบกภูเขาเวลานั่งมันก็จะสัสบประงก เรื่องโทษของการกินอาหารมากเกินไปมันก็จะเป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ทำให้ไม่สามารถานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เะนั้นผู้บําเพ็ญก็จําเป็นที่จะต้องใช้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมากําจัดความง่วงเหงาเหงานอนให้หายไปไปอยู่ที่เปลี่ยวที่น่ากลัวหรือ อ, อดอาหารกันนะ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 ถ้าเรามีพุโทโธกำกับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอาหารได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวใจก็จะสงบสงบแล้วความหิวส่วนนี้ก็จะหายไปหมดนความหิวที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจนี้จะหายไปหมดแล้วจะทำให้รู้สึกว่าความหิวของร่างกายนี้ไม่รุนแรงเลยใจที่สงบแล้วนี้จะอยู่กับความหิวของร่างกายได้อย่างสบาย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 เพราะใจก็สบายจากความอิ่มของร่างกายแล้วก็ขี้เกียจทาแล้วก็ดีไม่ดีก็จะนอนกันเสียส่วนใหญ่แต่ถ้าเวลาที่อัอาหารนี่มันมันหิวมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ภาวนาไม่ระ ง, งับการปรุงแต่งมันก็จะทรมานแลวอาจจะทนไม่ได้อาจจะต้องไปกินอาหาร ผิดสัจจะที่ตั้งไว้ก็ได้อันนี้ก็คืออุบายวิธีที่จะกำจัดนิวรละในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการบำเพ็ญจิตภรรมะผู้ที่ได้ประโยชน์จากการอดอาหารนี้จะใช้การอดอาหารนี้เป็นเครื่องมือกระตุ้นการบำเพ็ญเพียรไปจนถึงทำขั้นสุดท้ายเลย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 นี่คือเรื่องของการแก้ปัญหาของความง่วงเหงาหานอนต้องแก้ด้วยการอดอาหารผ่อนอาหารหรือด้วยการไปอยู่ในที่หน้าไปบำเพ็ญในที่หน้ากลัวแล้วข้อสุดท้ายที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตตะภาวนาก็คือความคิดทุ้งซ่าน ใจนี้โดยปกติมันจะไม่สงบมันจะคิดอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นธรรมชาติของใจเป็นเหมือนก้อนหินที่กิ้งลงจากที่สูงกิ้งลงจากบนเขามันจะกิ้งลงไปเรื่อยๆมันจะไม่หยุดของมันเองใจของผุุ้ชนใจของผู้ที่ไม่ได้บําเพ็ญจิตตภาวนาก็จะเป็นอย่างนั้นจะชอบคิดไปเรื่อยๆ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 ถ้าให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็จะดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องถ้ามีการเฝ้าดูหรือมีบา ร, รรมอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวไม่นานจิต ก, ก็จะตกหลุมตกบอ่อเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเกิดจากการมีสติคอยระ ง, งับความคิดฟุ้งซ่านต่าง อันนี้คือวิธีแก้ความฟุง้งซ่านอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ให้ไปคุกครีกันไม่ให้ไปคุยกันระหว่างผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยกันผู้ปฏิบัติควรจะแยกกันอยู่ตามลําพัง mm. เพื่อจะได้ไม่มาคุยกันคุยแล้วเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านไม่ได้ปฏิบัติท่านถึงสอนไม่ให้คุกครีกันให้แยกกันอยู่กันตามลําพังอยู่ในที่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 ไม่คุยกันทําเสร็จแล้วก็แยกกันไปเราไม่ได้มาสังคมกันความสังคมนี้จะทําให้จิตเราฟุ้งซ่านจะเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนาไม่ได้เป็นการเอื้อไม่ได้เป็นการส่งเสริมการบําเพ็ญจิตตภาวนาแต่การไม่คุกคีการการไม่สังคมกันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะเอื้อต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนา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 สังคมกันจะไม่ไปสนทนาปราศัยกันจะมาทํากิจร่วมกันเช่นเป็นพระนี่ก็จะมาทํากิจตอนเช้าเมื่อก็มาช่วยกันกวาดถูสาราเตรียมจัดที่ขบฉันต่างคนก็ต่างทําไปไม่มีใครพูดทําด้วยสติทุกอย่างเงียบหมดการวางข้าววางของวางถ้วยวางแก้ววางจานนี่จะไม่มีเสียงเพราะนี่เป็นการ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 ใสบาตเตรียมรับข้าวรับของจากศรัทธาญาติโยมพอพร้มก็อนุโ ม, โมทนาเวลาฉันก็ไม่คุยกันต่างคนก็ต่างฉันกันมีสติอยู่กับการขบฉันไปฉันเสร็จก็ลุกขึ้นไปต่างคนก็ต่างไปล้างบาตรของตอนเองล้างบาตรเช็ดบาตรเสร็จก็ลองมาทําความสะอาดเก็บกว่าสาลาบาตถูสาลา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 ระงับความพุ่งซ่าต่างๆนี่แหละจะเป็นวิธีที่จะนําไปสู่ความสงบนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่บําเพ็ญจิตตภาวนาต้องเป็นผู้ที่รักความปลีกไปเวรรักความสงบแล้วก็รักความเพียรมีความเพียรพยายามตลอดเวลา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 ที่มีประสบะการณ์มาแล้วจะได้คอยทักคอยทวงคอยเตือนว่าเวลาบำเพ็ญมาถึงจุดนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมามาถึงขั้นสมาธิแล้วเดี๋ยวก็จะมาติดสมาธิก่อนจะได้สมาธิก็ไปติดเรื่องกรารมาฉันทะรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆคุูบาอาจารย์จึงต้องคอยมาเป็นกรรมการคอยมาเฝ้าดูว่าผู้บาเพ็ญ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 แล้วก็ทำให้เกิดความโกรธบ้างเกิดความทุ่งท่านบ้าง เ, าเกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสบ้างามันก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้มาอยู่ว่าตั้งใจจะอยู่สักห้าวันอยู่ได้วันเดียวดีไม่ดีก็ข อ, อกลับนะ อ, อยู่ต่อไปทนไม่ไหวเพราะไม่รู้จักกาจัดอุปสรรคเรือกสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อาการบาเพ็ญ น, นั่นเอง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 เราไปเพื่อเราจะไปตัดทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปกังวลกับเรื่องมือถือเรื่องติดต่อกับคนนั้นคนนี้ทำไม เ, ออเรื่องเหล่านี้แหละมันเป็นนิวรมันเป็นอุปสรรคขวางกา้นการภาวนาของเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวออถ้าเราอยากจะไปภาวนาเพื่อทำจิตให้สงบเราต้องตัดสิ่งภายนอกออกไปให้หมดตอนนี้จิตของเรามันอยู่ภายนอกอยู่ที่รูปเสียงกิ่นรสผลพกะอยู่ที่ราบยศสรรเสริญ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 ตัวที่จะดึงให้ใจแล้วออกไปข้างนอกถือศีลแปดนี่ก็เป็นการตัดแล้วตัดไม่ดาวออกไปหาลูกเสียงกลิ่นลดผลพระโทรศัพท์มือถือนี้มันก็ต้อ ง, องเป็นศีลเก้าแล้วนะต่อไปทุกที่จะมาบําเพ็ญ จ, จิตตาภาวนาต้องถือศีลเก้าแล้วศีลแปดไม่พอศีลเก้าต้อง เ, อเก็บมือถือไว้ที่บ้านอย่าเอามา ใครจะเป็นใครตายช่างมันเถอะมันก็จะเป็นตาตายอยู่ดีแล้วเราก็ไปห้ามขาไม่ได้สมมติเรามาภาวนาตรงนี้แล้วคนที่บ้านตายไปเราก็ไปทำอะไรก็ไม่ได้อยู่ดีเขาก็ตายไปเขาปล่อยเขาตายไปเมื่อเราถึงเวลากลับไปเราก็ไปงานศพของเขาถ้าจำเป็นจริงๆเดี๋ยวคนเขาเขาส่งคนมาหาเราเองมามาเรียกตัวเราเองเราไม่ต้องไปกังวนลหรอกถ้าเราวิเศษจริงๆแล้วเขาเดี๋ยวเข้ามาหาเราเอง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 ตัดคนนั้นตัดคนนี้ตัดสิ่งนั่นตัดสิ่งนี้อย่าไปคิดถึงเขาเลยอย่าไปรับรู้เรื่องของเขาเลยให้เราอยู่ในปัจจุบันอยู่กับป่ากับเขานี่อยู่กับเสียงจิงจักจั่นนี้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดไปพรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นคอยควบคุมใจให้สักแต่ว่ารู้ให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขัตตารมให้ได้แล้วใจเราจะมีความสุข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 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นฉุกเฉินก็สามารถาหยุดลดได้อย่าง ท, างทันท่วงทีกลับให้มันทํานานก่อนจนเรามีความมั่นใจแล้วเราค่อยออกไปตามท้องถนนการฝึกสมาธิก็เหมือนการขั้นต้นถ้ายังล้มลุกคลุกคานอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างนี่ยังไม่ต้องกังวลเรื่องการไปเจริญปัญญ า, ามาเจริญสติให้สติมีกําลังแก่กล้า ที่สามารถคอยควบคุมริวอนต่างๆให้ได้ก่อนสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ทุกครั้งที่เราต้องการก่อนพอเรามีความชำนาญแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่เราเข้าได้แล้วทีนี้เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาเจริญปัญญากันการเจริญปัญญาอย่าไปเจริญในขณะที่จิตสงบ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 ถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วมีน้อยนีย้เดี๋ยวจะสู้ความอยากไม่ได้สู้ความโลภสู้ความโกรธสู้ความหลงไม่ได้เวลาที่ปัญญาชี้บอกว่านี่คือความโลภต้องหยุดนี่คือความโกรธต้องหยุดนี่คือความอยากต้องหยุดแตถ้าไม่มีอุเบกขาพอก็จะหยุดไม่ได้ดังนั้นการฝึกสมาธินี้จึงเป็นเรื่องสำคัญฝึกให้ชำนาญฝึกให้มีกาลังมากๆ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 มีแต่จะยกให้สับปเปล่ากันไปมีก็คือเรื่องของปัญญาถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นอนุสุภา h a นี้เราก็จะไม่ไปแย่างร่างกายกับใครจะยกให้สับปเปล่าไปจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเวแต่อย่างใดเพราะใจที่ไม่มีความอยากที่จะเสพการนี้มันจะสงบมันจะเป็นอุเบกขามันจะสักแต่ว่ารู้ มันจะเป็นนัตถิสันติปรังสุขขังมันจะมีเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือประโยชน์ที่เกิดจากการที่มีสมาธิแล้วค่อยมาเจริญปัญญาจะทำให้เราสามารถกำจัดกามตรตหาภาวะหาวิภวะัาหาที่เกี่ยวกับร่างกายได้แล้วพอเราผ่านทางร่างกายไปแล้วเราก็เข้าไปเกี่ยวไปดูกับปัญหาที่ยังมีอยู่ในจิตต่ตอไป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 ของพระอาารลันตัสสาวกที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุขังนี่เองเพราะว่าท่านเสบนิบบานังปรมังสุญัอย่างท่านเสบความว่างท่านไม่ได้เสบรูปเสียงกิริย์รสท่านไม่ได้เสพราบยศสรรเสริญท่านไม่ได้เสบร่างกายท่านไม่ได้เสพความสงบของฌานท่านเสบความว่างท่านไม่มีอะไรให้ต้องเสบความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริง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 บำเพ็ญจิตตภาวนากำจัดนิวรณ์ทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นของการบำเพญ็ญแล้วก็ศึกษาวิธีที่จะเจริญต่อไปหลังจากที่จิตสงบแล้วเจริญขั้นปัญญาเจริญวิธีกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาให้หมดไปจากใจพอหมดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลือต่อไป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 มักผลนิพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะภ า, าวาริวาาปุราปาริโุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกา ป, ปฏิ อิติตังปติตังตุมหังคิดเป้เมวะสมิจจตุสพเพโพรเรนตุจังกะปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีธีคายุโกภวะ อาภีวาธานาศสีลิตสะนิจังวุฒาปจายิโนจตรมมารโธรรมวทาทันติอายุวันโอสุขังพาลางต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย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 รูปธรรมก็คือร่างกายนมามธรรมก็คือเนี่ยตัวรับรู้ความรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าวิญญาณตัวทีร่รับรู้ความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็เรียกว่าเวทนาตัวที่จําได้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสมีชื่อว่าอะไรนี่ก็เรียกว่าสัญญาแล้วตัวที่สั่งให้จัดการกับรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็เรียกว่าสังขาร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 แล้วพอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ลวมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ได้ร่างกายอันใหม่มีคุณคุณโออังคาเรียนมานะครับว่ า, าเพื่อนพระอาจารย์ที่ชื่อว่าโทนี่มาลานิโอ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 ก็ได้แต่เพีงแต่ได้แบบเหมือนกับน้ําค้างยังไม่ได้แบบฝนตกถ้าอยากจะได้ฝนตกก็ต้องไปทํำเพียงแต่คิดมันก็มีความสุขแล้วแต่พอมันหยุดคิดความสุขนั่นก็หายไปแต่ถ้าไปทําแล้วมันจะอยู่ในใจนานกว่าพอเราทําแล้วมันจะอิ่มเอิบใจมีความสุขใจไปนานกว่าเฉพาะมากกว่าตอนที่เราคิดเฉยๆคําถามจากคุณกมนทิพย์นะครับทําบุญ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 ฉุกบทแล้วก็ผสมกับน้าลายถ้าอยากจะดูหน้าตามันก็ลองอาคายมันออกมาแล้วก็ตักเข้าไปใหม่ดูที่จะกินลงไห อ, อันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เราไม่ได้กินด้วยความอยากกินด้วยความจำเป็นกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้มันก็จะกินไม่มากมันก็จะกินพอประมาณพอรู้สึกอิ่มแต่ถ้ากินด้วยความอยากนี่มา ก, กอิ่มแล้วมันก็ยังยัดเข้าไปยัดเข้าไป จนร่างกายมันพองออกมาเนี่ยกลายเป็นตุ่มไปเนเพราะกินด้วยความอยากถ้ากินด้วยความจําเป็นกินด้วยเหตุด้วยผลด้วยการพิจารณาว่าอาหารนี้มันไม่น่าดูไม่น่ากินเลยแต่จําเป็นจะต้องกินเวลามันเข้าไปในท้องนี่มันน่าดูไหมวิธีที่จะกินแบบไม่ไม่อยากกินก็เอาอาหารที่มันจะเข้าไปรวมกันในท้องนี้รวมกันในชามไว้ก่อน อาหารคาวหวานที่เราจะกินเนี่ยใส่ไปในชามแล้วคุกก็คนมันก่อนเหมือนกับเวลาที่มันเข้าไปในกระเพาะเพราะต่อไปมันเข้าไปในกระเพาะมันก็จะต้องไปคนกันใช่ไหมมันไม่ได้ไปเรียงลําดับกันใช่มว่าอาหารนี่ย่อยก่อนอาหารนี่ย่อยทีหลังมันเข้าไปในท้องมันก็คุกกันไปเหมือนกับเวทีเขาผสมงผสมซีเมนต์เห็นไหมเขาใส่หินใส่ปูนใส่ทรายลงเข้าไปมันก็คุกกันไปจนกระทั่งกายเป็นซีเมนต์ไป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 กับผู้ที่เป็นสะพานบุญนําไปถวายผู้ที่นําไปถวายจะได้อนิสงส์เท่ากันกับผู้มอบปัจจัยหรือไม่ครับไม่เราได้บุญคนละอย่างบุญที่เกิดจากการให้ทานก็คือเจ้าของเงินจะได้ไปบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นก็เป็นผู้ที่เอาเงินนั้นไปถวายให้อีกทีหนึง่งนะบุญมีอยู่สิประการทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งคือการเสียสละทรัพย์ส่วนการรับใช้ผู้อื่นเอาเงินของผู้นั้นไปทําบุญให้กับเขา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 ก็ลองไปพิสูจน์ดูก็แล้วกันถ้าทำแล้วได้ผลดีก็ทำไปใจสงบใจเลิกคิดไม่ดีก็ทำไปคำถามจากคุณมาอองนะครับการที่คนไปร่วมลำวงรอบโบสถ์ได้บุญไหมครับ <laughs> เขาจะได้ความสนุกสนานเป็นการมัฉันทะเป็นความสุขทางโลก พอเวลาที่เขาไม่ได้รลำวงเขาก็จะเศร้าขึ้นมาจะเหงาขึ้นมาแต่ถ้าคนที่ทําบุญแล้วเขาจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเวลาเขาไม่ได้ร้องไม่ได้รลำวงเขาก็จะไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกเหงาจากคุณพี่แจ้นะครับโยมปฏิบัติธรรมตอนนี้โยมไม่ต้องท่องพุทโธแล้วพอเริ่มนั่งจิต ก, ก็ว่างเลย แล้วโยมก็นั่งดูความว่างเปล่าในจิตใจโดยมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ถูกไหมคะก็ถูกแต่มันยังไม่ลงถึง<อ>ฐานของมันมันยังไม่สักแต่ว่ารู้มันยังไม่ตกลุมตกบ่มันไม่รู้สึกเบาอกเบาใจสุขใจมันไม่ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต้องให้ไปถึงตัวนั้นถึงจะถึงเป้าหมาย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 แล้เดี๋ยวดีไม่ดีมันอาจจะสร้างภาพสร้างอะไรมาหลอกเราก็ได้ถ้าไม่มีอะไรคอยกากับควบคุมใจอะ่านั่งแบบนี้ก็น่าน่ า, น, าน่าอันตรายเหมือนกันเพราะเดี๋ยวเผลอก็อาจจะมีอะไรโผลขึ้นมาได้หรือถ้าไม่อันตรายก็จะไม่ก้าวหน้ามันก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นไปจากคุณปาณีนะครับเป็นเพราะอะไรจ้าคาเวลานั่งสมาธิเหงื่อออกมากหลังเปียกชุ่ม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 จะคุณพานใหญ่นะครับศีลไม่ครบทําสมาธิได้ไหมครับคือการทําสมาธิไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ศีลครบไม่ครบแล้เพราะเวลานั่งเฉยๆมันศีลมันครบอยู่แล้วใช่ไหมเแต่นั่งสมาธิเราไปฆ่าสัตว์หรือเปล่าเราไปลักทรัพย์หรือเปล่าเราไปประพฤติผิดประเวณีหรือเปล่าเราไปโกหกหลอกลวงหรือเปล่าเราไปดื่มชัวราหรือเปล่าเราไม่ได้ดื่มมันก็ครบอยู่แล้วเวลานั่งสมาธิมันก็มีศีลอยู่แล้วนี่มันจะสงบไม่สงบมันไม่ได้อยู่ที่ศีลมันอยู่ที่ว่า มันมีสติหรือไม่มีสติถ้าไม่มีสติควบคุมความคิดมันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยมันก็ไม่สงบแต่ถ้ามันมีพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็สงบยังต้องมีพุโทโธหรือมีสติคอยกำกับให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับลมหายใจก็ออกเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ถ้าอยู่ดูลมไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวจิตกร็รวมเข้าสู่ความสงบได้คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับ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 ดิฉันไม่เข้าใจแล้วดิฉันเป็นสาวประเภทสองจะปฏิบัติแล้วมีดวงตาเห็นทาได้ไหมคะได้เหมือนกันจิตของคนเราทุกคนเป็นจิตเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นประเภทสองหรือประเภทสามมันก็เป็นจิตที่มีโรโกรดหลงมีความฟาุ้งซ่านมีความไม่สงบแต่เราปฏิบัติแล้วทาใจใช่สงบได้เราก็ได้ผลเหมือนกัน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 หรือบางครั้งก็รู้สึกเหงาอยากมีแฟนใหม่เพราะแต่ก่อนเราเคยมีแฟนมาเรื่อยๆแต่พอจะมีคนมาแนะนำคนให้รู้จักก็กลับกลัวว่าการมีแฟนจะแย่งเวลาเราไปอีกรวมถึงความทุกข์ที่จะตามมาเพื่อนส่วนใหญ่ที่มีก็ไม่ได้ชอบมาวัดแบบเราเราเลยดูแปลกสำหรับคนอื่นทำให้รู้สึกสับสนมากค่ะอยากทราบขอคาแนะนาจากพระอาจารย์ว่า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 จะทําแบบที่แบบหับผ้ามันอาจจะไม่มีกําลังพอก็ต้องค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆลดไปลดทางด้านทางโลกแล้วก็เพิ่มทางธรรมขึ้นไปเอาเวลาที่ไปใช้กับทางโลกมาใช้กับทางธรรมแล้วต่อไปเราก็จะเพิ่มทางธรรมได้มากขึ้นไปตามลําดับแล้วทางโลกก็จะน้อยลงไปตามลําดับพอถึงเวลาหนึ่งเราก็รู้ว่าเราไปบวชได้เราไปอยู่วัดได้ จากคุณพลนะครับการใช้โทสะความโกรธแก้ความหลงหลงในสมาธิถูกต้องไหมครับไม่ถูกะโทสะมันเป็นตัวที่ทำให้ไม่ ม, ไ ม, มีสมาธิอยู่แล้วไาใช้โทสะไม่ได้ต้องใช้สติใช้ปัญญาถ้าเป็นความหลงก็ต้องใช้ปัญญาเช่นหลงติดอยู่กับความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าเป็นความทุกข์เพราะว่าเสพเสพการลับเวลา ไม่ได้เสพมันจะทุกข์มันเป็นเหมือนยาเสพติดสู้เลิกเสพดีกว่าแล้วพยาบาเจรินสติมาควบคุมใจให้สงบทางทีมงานแจ้งมาว่ามีประเทศเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งประเทศคือสกอตแลนด์เป็นประเทศที่ยี่สิบห้าที่มีผู้ฟังทมผ่านเฟซบุ๊กครับ<อ>คำถามหมดครับรอาจารย์มีใครอยากจะถามไหม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 ขโมยศพคุณวิยาถามว่าข้าพเจ้าไม่อยากได้นิพพานแต่อยากได้อิทธิฤทธิ์ขอคำอธิบายก็ได้แต่อิทธิฤทธิ์นี่ก็ยังต้องทุกข์อย่านะเพราะอิทธิฤทธิ์นี่ฆ่ากิเลสไม่ได้อิทธิฤทธิ์ก็ยังถูกกิเลสทําทให้โลภทําให้โกรธทาให้หลงทําให้ทุกข์ได้อยู่แต่ถ้าได้นิพพานแล้วก็จะฆ่ากิเลสตัณหาได้หมดจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ไม่ต้องมาเวียนวหวตายเกิดแต่ถ้ามีที่ลิขิตก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเรื่อยๆคุณอนันต์นะครับถามว่าเรามีสมาธิแต่ยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิเมื่อออกจากสมาธิเราสามารถพิจารณาเกสาโลมาได้ไหมคะหรือต้องรออัปปนาก็แล้วแต่พิจารณาก็ได้แต่ ถ้าพิจารณาแล้วไม่ทําให้จิตเข้าสู่สมาธิที่ลึกกว่านี้ได้ก็อย่าพึ่งไปพิจารณาดีกว่าสูคอยใช้สติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดจะดีกว่าให้จิตให้ใจสักแต่ว่ารู้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไปอย่าคิดปรุงแต่งปัญญานี้มันต้องปรุงแต่งด้วยความคิดแล้วถ้าปรุงแต่งไปมันก็จะสงบยากดังั้นต้องหัดหยุดความคิดให้ได้ก่อนจะดีกว่าให้มันเข้าไปรวมสู่จุด